ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นักเรียนยนักศึกษาทั้งหลาย <c oughs> ขอแสดงความยินดีในการค้นขวาาให้มาสู่สถานที่นี้เพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ เลยคิดว่าจะพูดเรื่องการศึกษากกับการรับปริญญากันให้ชัดเจนทีท่วนสักครั้งหนึ่ง แยกพูดเป็นสองเรื่องคือเรื่องการศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา <c oughs> พูดอย่างนี้ก็แปลกสำหรับคนทั่วไปเราจะคิดไปในทางที่ <c oughs> ว่า <c oughs> แกล้งพูดใโยกโยอ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นการพูดตรงตามเรื่องที่มีอยู่ในพระบาลีคือมีทั้งการศึกษาและมีทั้งการรับปริญญาหมายความว่าบุคคลศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาครบถ้วนแล้วปฏิบัติถึงที่สุดแล้ว แล้วก็มีการรับปริญญาถ้าไม่เคยได้ฟังก็จะบอกว่าให้ฟังบอกให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านไดสัตว่าภิกษุทั้งหลายปริญญามีอยู่สามอย่างสามอย่างคืออะไรสามอย่างคือความสินราคะความสินโทสะความสินโมหะ นี่คือปริญญาสามโดยข้าวเงื่อนก็พอจะมองเห็นแล้วว่าเมื่อได้ศึกษาในศีลและศึกษาจิตตศึกษาปัญญาศึกษาถึงที่สุดด้วยการปฏิบัติเพราะคำว่าศึกษาหรือศึกษา ในทางธรรมะนั้นหมายถึงการปฏิบัติตัวการปฏิบัติเป็นตัวการศึกษาเมื <c> ่อ <oughs> ศึกษาศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วก็มีผลแห่งการปฏิบัติคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะ ที่เรียกว่าปริญญานั่นเองเนี่ยเให้ทราบข้าวเงอนโดยเรื่องโดยยอดของเรื่องอย่างนี้ก่อนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดสำหรับนักศึกษาครูบาอาจารย์ที่มีการศึกษาและมีการรับปริญญาทีนี้ก็รู้ว่าอาจจะมีชื่อเรียกเหมือนกัน แต่ตัวจริงนั่นไม่ได้เหมือนกันเรื่องการศึกษาของชาวโลกก็เป็นอย่างหนึ่งการศึกษาทางธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งการรับปริญญาแผ่นกระดาษที่รับกันตามแบบชาวโลกนั่นมันก็อย่างหนึ่ง การรับปริญญาทางธรรมในพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งและเราจะได้เปรียบเทียบกันดู <c oughs> จะพูดถึงคำว่าการศึกษาก่อน <c oughs> ที่ท่านทั้งหลายศึกษากัน ในชั้นต้นก็เรียนหนังสือเรียนอักษรศาสตร์แล้วก็เรียนวิชาชีพโดยเฉพาะเฉพาะวิชาเมื่อจบการศึกษาก็ได้รับปริญญาการศึกษานี่มันก็มีแต่เรื่องเรียนหนังสือ แล้วก็เรียนวิชาชีพแล้วมันก็จบส่วนการศึกษาในทางธรรมะนั่นถือเอาคำพูดคำนี้เป็นหลักคือว่าคือคำว่าศิกขาในภาษาบาลี หรือว่าศึกษาในภาษาสันสกิตหรือว่าศึกษาในภาษาไทยออกเสียงเพี้ยนกันบ้างแต่เป็นคำเดียวกันเอาคำบาลีเป็นหลักว่าศึกษาคำว่าศึกษานี่จะกอบขึ้นในกคำคือสะ กับอิขะสะคำหนึง่งอิขะคำหนึง่งสะนั่นแปลว่าเองเองเอ ง, เองในทุกความหมายคำว่าอิขะอิขะนี่แปลว่าเห็นทีนี้รวมกันเป็นสิขขสกขาสะอิข ขรวมกันเป็นสิกขะออกเสียงเป็นสิกขาเป็นรูปศัพท์ที่เป็นอิทธิลิงมันก็แปลความหมายได้หลายหลายหลายหลายทางเช่นว่าเห็นซึ่งตนเองนี่ก็ได้ เห็นโดยตนเองมีก็ได้เห็นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองมีก็ได้และยังได้มากกว่านี้อีกเอาแต่สามสามสามความหมายนี้ก็พอเห็นซึ่งตนเองก็พิจารณาดูว่าเห็นอะไรสิ่งที่สมมติเรียกกันว่า ตนเองนั่นแหะก็คืออัตภาพนี้ซึ่งมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจที่รวมเรียกกันว่าชีวิตชีวิต mm hmm. เห็นซึ่งตนเองก็คือเห็นตัวเองเห็นชีวิตของตัวเองมองดูลงไปที่ตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองคนไม่เคยศึกษามันก็ ก็มองเห็นยากว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมองดูตัวเองก็เห็นแต่ร่างกายรู้สึกจิตใจได้บ้างว่ามันคิดนึกอะไรได้แต่แล้วไม่ได้เห็นส่วนที่ลึกกว่านั้นคือว่าการปรุงแต่งต่า ง, างนนๆนานาใน ร่างกายนี้ร่างกายนี้เห็นซึ่งตนเองเมื่อจารนัยกันโดยละเอียดแล้วก็จะมีว่าเห็นว่าตัวเองประกอบอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ รวมเป็นหกอย่างหกประการด้วยกันคือหกธาตุที่นี้ถ้าว่าเห็นจริงยิ่งขึ้นไปอีกก็เห็นว่าไอ้ที่มันเป็นรู ป, ปรธรรมคือตาไอ้รู ป, ปรธรรมคือดินน้ำลมไฟนั่นประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อหนังร่างกาย เป็นตาหูจมูกลิ้นกายอไอ้ก้อนลูกตาพร้อมทั้งประสาท ต, ตานี่มันก็เป็นวัตถุประกอบขึ้นไปยธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งหูประกอบด้วยประสาทหูนี่มันก็ เป็นส่วนของดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นเป็นระบบหู <c oughs> จมู ก, ก็เหมือนการพร้อมทั้งประสาทอาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นระบบจมูกลิ้นก็อาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นระบบลิ้นกายผิวหนังทั่วไปทั้งกายก็อาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นเป็นกายเป็นร่างกายเป็นผิวหนงังเป็น ทั่วไปตั้งกายนี่คือการปรุงแต่งในอัตภาพนี้ที่นี้ส่วนจิตหรือใจที่ประกอบอยู่ด้วยวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเป็นระบบที่รู้สึกได้ในทางฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายนามธรรม นี่เป็นระบบพิเศษไอ้ห้าอย่างข้างต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุส่วนจิตหรือใจหรือมโนนี่เป็นฝ่ายนามธรรมประกอบกันเข้ามาเป็นอัตภาพนี้ส่วนอากาศาธาตุหรือที่ว่างนั่น หมายถึงว่ามันมีที่ว่างอยู่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วยแล้วสิ่งต่างๆก็อาศัยอยู่ในที่ว่างนั่นเองถ้า <c oughs> มีที่ว่างร่างกายนี้มันจึงอยู่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างร่างกายนี้มันจะอยู่ได้ก็อะไรร่างกาย ทั้งหมดก็ตั้งอาศัยอยู่บนธาตุว่างหรือความว่างที่ว่างนะจิตมันก็อาศัยอยู่บนธาตุว่างอันละเอียดแล้วก็มีอยู่เป็นระบบจิตนี่แปลว่าธาตุที่รวมกันเป็นกายและเป็นใจนั่นทั้งอาศัยอยู่บนธาตุว่าง <c oughs> เข้าใจคำว่าว่างนี่ดีๆทั่วไปทั้งสากลจั ก, กรวาลมันมีที่ว่างมีส่วนที่มีเป็นความว่างแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของใ <c oughs> <c oughs> ดๆนั่นอาศัยอยู่ในที่ว่างอันนั้นจะถือว่า ให้ความว่างแหละเป็นเครื่องรองรับรองรับทั้งหมดสิ่งต่างๆตั้งอยู่บนความว่างบนธาตุว่างให้ความว่างเป็นที่รองรองรับสิ่งทั้งปวงนี่จะเห็นว่ามันประกอบกันอยู่มีลักษณะอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ อย่างนี้งันที่นี่เรามองซึ่งตนเองมองตัวเองมองซึ่งตนเองคืออัตภาพนี้ชีวิตนี้คือร่างกายที่ยาวประมาณว่าหนึ่งี่แล้วก็ยังมีชีวิตยังเป็นๆอยู่นี่ก็มองดูที่ อ, อัตอัตภาพนี้ ก็จะมองเห็นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าประกอบอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณประกอบกันอยู่อย่างเหมาะสมจนทำหน้าที่ต่างๆได้ส่วนกายนั้นเป็นห้าระบบคือตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับจะรู้อารมณ์ที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรส ปุถภะระบบจิตระบบใจระบบมโนนี่สำหรับจะรู้สึกในความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นทางจิตนี่ที่ว่าเห็นซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเองคอทุกคนมองซึ่งตนเองแล้วก็เห็นซึ่งตนเองว่า ประกอบกันอยู่อย่างนี้มีการปรุงแต่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้โดยเหตุโดยปัจจัยทุกอย่างทุกประการที่ทำให้มีลักษณะเป็นของเป็นคือมีชีวิตและมิได้ตายและมันยังสามาัรถีจะรับอารมณ์ทุกอย่าง ที่จะมีให้ในโลกนี้ได้แก่รูปซึ่งจะรู้สึกได้โดยตาหูเสียงซึ่งจะรู้สึกได้โดยหูกลิ่นซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยจมูกรสซึ่งจะรู้จักได้โดยลิ้นและโทธทพะ ที่จะกระทบผิวหนังอันจะรู้สึกได้ด้วยระบบประสาทของผิวหนังทั่วไปทั้งกายนี่มองดูในส่วนที่เป็นรูปธปาตุหรือฝ่ายกายอย่างนี้แล้วก็มองฝ่ายที่เป็นจิตเป็นปัญญาหรือเป็นนามก็ <c oughs> เห็นว่ามีจิตเล้วแต่จะเรียกนะ เป็นวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณธาตุมีอยู่เมื่อทําหน้าที่คิดนึกก็เรียกว่าจิตเมื่อทําหน้าที่รู้สึกก็เรียกว่ามะโนส่วนคำว่าใจนั่นเป็นภาษาไทยเล็งถึงมะโนเนีย่ยดูซึ่งตนเอง เเห็นซึ่งตนเองว่าประกอบกันอยู่ด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ถูกต้อ ง, องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะพึงมีจนกล่าวได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นตัวชีวิตดำรงอยู่ นี่เรียกว่าเห็นซึ่งตนเองดูที่ตนเองแล้วเห็นซึ่งตนเองโดยลักษณะง่ายๆเบื้องต้นทีนี้ก็ดูต่อไปให้ละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปเว่ามันยังมีกลไกซับซ้อนกันอยู่หลายชั้น <c oughs> พูดเรื่องตาก่อนตาเป็นอวัยวะมีระบบประสาทสำหรับเห็นได้แล้วข้างนอกก็มีรูปมีรูปต่างๆพอเข้ามากระทบตาคือว่าไอ้รูปกับตานะ่ถึงกันเข้านะก็เกิดวิญญาณทางตาคือวิญญาณธาต ทำหน้าที่ของวิญญาณทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาหรือจักรสุวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งตาเห็นรูปเกิดจักรสุวิญญาณคือการเห็นแจ้งในทางตาอันนี้ขั้นตอนหนึ่ง mm hmm. เมื่อวิญญาณธาตุทาหน้าที่เป็นวิญญาณทางตาเห็นรูปอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าผัสสะ ผัสสะแปลว่ากระทบก็คือวิญญา ณ, ณธาตุนะ่ยวิญญาณทางตานะ่ยกระทบกันก็เกับรูปรู้สึกอยู่หรือเห็นอยู่เรียกว่าผัสสะแล้วก็เป็นผัสสะทางตาอันนี้ก็ตั้งดูให้เห็นถึงเป็นส่วนของตนเองเ <c oughs> มื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วก็เกิดความรู้สึก ออกมาเป็นเวทนาเช่นว่ารูปนั้นสวยถูกใจก็เกิดความรู้สึกพอใจถ้ารูปนั้นไม่สวยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมันก็ไม่พอใจหรือว่าถ้าไม่มีความหมายในสองอย่างนั้นมันเฉยๆมันก็เป็นกลางๆอยู่ก็เรียกว่า ไม่ใช่พอใจหรือไม่ใช่ไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขมสุขถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขขเวทนาถ้าไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าว่าไม่เป็นทั้งสองอย่างก็เรียกว่าทุกขมสุขขเวทนาที่เวทนาจะเกิดขึ้นทุกคราวที่มีการสัมผัส นี่ก็คือตัวเราคือเรื่องในตัวเราคือลักษณะการปรุงแตง่งปรุงแต่งอยู่ในตัวเราเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าเวทนาให้ความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกต่อไปคือซ้ำคันมั่นหมาย สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเวทนาเช่นไรมีอะไรเป็นอย่างไรเป็นสุขคเป็นสุขก็เรียกว่าสุขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าสุขเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกข ทุกขมสุขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ให้มีความรู้สึกว่าเป็นสัญญาอย่างไรเพราะมันเคยเกิดขึ้นและรู้สึกเกิดขึ้นเลยรู้สึกมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันจึงจำได้ว่าอย่างนี้คือสุขสัญญาอย่างนี้ทุกขสัญญา รวมความว่าความจําได้ว่ามันเป็นอะไรและมั่นหมายลงไปว่ามันเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาสัญญาอเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอัตภาพนี้ในร่างกายในชีวิตนี้นที่นี่เมื่อสัญญาถึงที่สุดแล้วก็ปรุงความคิดนึกขึ้นมา จะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นความคิดนึกนี่เรียกว่าสังขารถ้ามีความมั่นหมายว่าสวยความคิดนึกก็ปรุงขึ้นมาเป็นความคิดว่าจะเอาถ้าไม่สวยก็ปรุงความคิดนึกขึ้นมาว่าจะไม่เอาหรือจะทำลายเสีย ถ้ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ใช่สวยเลยไม่ใช่ไม่สวยมันก็ยังสงสัยคล้องใจอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเป็นสังขารทีนี้สิ่งที่เรียกว่าสังขาร น, นี่มีหลายขั้นตอนมีความอยากจะได้อที่มันสวยน่ารักน่าพอใจมีความอยาก ที่จะทำลายเสียซึ่งส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเนี่ยความอยากมันก็ได้เกิดขึ้นความอยากนี่ก็เรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกันฉันความอยากเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็ปรุงต่อไปอีกปรุงให้เกิดความรู้สึกสำคัญมันหมายว่ามีตัวเรามีตัวกูซึ่งเป็นผู้อยาก แล้วก็อยากจะเอามาเป็นของกู้นี่เรียกว่าปรุงถึงที่สุดจ น, เ ป, น, ปาานเป็นอุ ป, ปาทานเป็นอุปาทานรวมอยู่ในคำว่าสังขารนั่นแหะเพราะว่าถ้าแจกเป็นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเิญญาณนมันก็มีเพียงห้าแต่ถ้าจะแจกไปให้ใหมันมากเป็นแบบปฏิจจสมุปาทมันก็แจกไปได้ถึงสิบเอ็ดอย่างสิบสองอย่าง เรื่องนั้นไม่เป็นไรอเอาแต่เพียงว่ามันปรุงอย่างไรรู้สึกอย่างไรนับตั้งแต่ตาเห็นรูปนั่นก็ปรุงจักสุวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นวิญญาณจากสูวิญญาณทําหน้าที่อยู่สิ่งที่เรียกว่าพัทธะก็เกิดขึ้นพัทธะเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เพทนาเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกเป็นสัญญาสําคัญมั่นหมายว่าอย่างไรว่าสุขสัญญาว่าทุกขสัญญาแล้วแต่มันจะรู้สึกคิดนึก <c oughs> เป็นสัญญาอย่างนี้แล้วก็ปรุงต่อไปเป็นสังขารคือความคิดนาน า, นานประการโดยสมควรแก่สัญญานั้นฉันคิดว่าจะ ได้เกิดความอยากขึ้นมาว่าจะได้ไอ้ความอยากนี่เป็นตัณหามีตัณหาถึงที่สุดอย่างนี้แล้วก็ปรุงไอ้ความรู้สึกว่าตัวกู้เป็นผู้อยากซึ่งเรียกว่าอุปาทานนก็มีความรู้สึกว่าตัวกู้หรือของกูตามสมควรแก่กรณีเมื่อเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเช่นนี้โดยความโหกเขลา อะไรอะไรก็เอาเข้ามาเป็นตัวตนมันก็เป็นของหนักหนักแก่จิตใจนั่นเองเหมือนกับว่าเราจับเอาอะไรขึ้นมาหิ้วไห้ถือไห้ชูวไห้มันก็เป็นของหนักอาการที่เป็นของหนักนะั้นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างนี้มีอยู่ ในตนเองในตัวเอ ง, เองก็มองดูให้เห็นซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเองดูซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเองเนี่ยเรียกศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาตนเองเห็นอะไรอะไรที่มีอยู่ในตนเองที่เรื่องตาอย่างที่ว่ามันแล้วเรื่องหูเหมือนกันอีกเมื่อเสียงมาถึงกันเข้ากับหูก็เกิดการได้ยินทางหูเรียกว่าวิญญาณทางหู วิญญาณทางหูรู้สึกต่อเสียงนั่นอยู่ด้วยหูด้วยระบบหูก็เรียกว่าผัสสะทางหูผัสสะก็ให้เกิดเวทนาคือสุขหรือทุกข์เกิดเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาสงคัญมันหมายว่าเป็นอะไรก็เกิดสังขารความคิด ว่าเราจะเอาเราอยากจะได้อยากจะได้ที่ทิฏฐิหน้าพอใจอยากจะทาลายที่มันไม่น่าพอใจเมื่อความอยากนี่เป็นไปถึงที่สุดแล้วก็ปรุงเป็นความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูผู้อยากอย่างนี้เหมือนกับเรื่องเรื่องเรื่อ ง, องตากับรูปเน่เรื่องหูกับเสียงก็เหมือนกันเรื่องจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส กายกับสิ่งที่มากระทบกายก็เหมือนกันมีหลักเกณฑ์อันเดียวกันนี่เรียกว่าที่เป็นของหยาบเป็นทางรูปธรรมทางกายนี่ให้มีอยู่ห้าห้าชุดด้วยกันนล้วก็อยู่ในตนเองในส่วนจิตลึกๆกาไปเพราะว่ามันได้อารมณ์เช่นมีสัญญาหรือมีเวทนาเป็นต้น มโนหรือใจเนี่ยสัมผัสในเวทนาแล้วก็รู้สึกเป็นเวทนาอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดสัญญาเกิดสังขารอย่างเดียวกันอีกนี่มากมายถึงขนาดนี้นะที่เรียกว่าศึกษาศึกษาอยู่แต่ในเรื่องของตนในภายในของตนัน้น นี่ <N ee> ดูสิศึกษานี่เป็นอย่างไร <N ee> มันต่างกันลิบกับว่าศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนอักษรศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิชาชีพ <N ee> มันคนละแบบแต่เรียกว่าศึกษาเหมือนกันนี่เป็นการศึกษาซึ่งตนเองคือดูเข้าไปที่ตนเอง แล้วก็เห็นด้วยตนเองตนเองต้องศึกษาเองจริงเรียกว่าเห็นด้วยตนเองถ้าการเห็นนี่ก็เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแล้วแต่มันจะเกิดก็แก่ตนเองคำว่าศึกษาหรือศิกษาเนี่ยจึงมีความหมายได้รอบครบถ้วนอย่างนี้ว่า ดูที่ตนเองเห็นสิ่งตนเองแล้วกับการเห็นนี่เห็นด้วยตนเองคนอื่นมามาดูแทนไม่ได้เนื้อสิ่งเหล่านี้จะทำไปแล้วมันมีพ้นแก่ตนเองคาว่าสิกขาสิกขาเรามีความหมายอย่างนี้ทีนี้เมื่อรดมองเห็นว่าเกิดกิเลส เ, เกิดความอยากเกิด ความยึดถือว่าตัวตนขึ้นมาแรกมันเป็นความทุกข์ก็ศึกษาถึงอาการที่เป็นทุกข์ศึกษาถึงลักษณะที่เป็นความทุกข์จนพบรายละเอียดอีกมากมายเลยโดยย่อก็เช่นว่าเห็นเห็นได้ว่าพอมีความรู้สึกที่เป็นความอยากหรือที่เรียวกว่าทันหาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอุปาทานจับช่วยเอาสิ่งต่างๆมาเป็นของตนเป็นของหนักเลเป็นทุกข์ เียกวตัณหาเกิด อ, อุปาทานแล้วให้เกิดทุกข์จะเรียกรวบทีเดียวตัณหาเกิดทุกข์ก็ได้เหมือนกัน แ, แต่จะพิจารณากันอย่างหยาบๆหรืออย่างละเอียดเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะมีตัณหาน่นจึงมีทุกข์โดยผ่านทางอุปาทานพขา ม, มีตัวตนมีตัวตนมีรู้สึกเป็นตัวตนแล้วอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนก็กลายเป็นเรื่อง เกี่ยวกับตนยึดถือเอามาเป็นของตนเช่นมีความรู้สึกว่าได้อะไรไปเสียอะไรไป <c oughs> มีความรู้สึกต่อเนื่องกันไปถึงว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียหรือแม่ที่สุดแต่ว่าอาการที่ เป็นตามธรรมชาติเนื่องอยู่โดยอัตภาพนี้เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็หลงเอามาว่าเป็นของตนความเกิดเป็นของตนก็มีปัญหายุ่งยากลำบากเกี่ยวความเกิดความแก่เอามาเป็นของตนก็เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับความแก่ ความเจ็บออกมาเป็นของตนก็เกิดปัญหายุ่งยากกันเกี่ยวกับความเจ็บความตายซึ่งเป็นของธรรมชาติตามธรรมดาก็เอามาเป็นความตายของตนคือของจิตที่มันโง่คำว่าตนทีน่นี่คือจิตที่มันโง่ไปเองว่าเป็นตัวตนความตายก็เป็นของตนเดือดร้อนอยู่มากมายหลายขั้นตอนที่เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย นี่มันมีอยู่ในอัตภาพนี้ในชีวิตนี้คืเราศึกษาศึกษาตรงลงไปที่อัตภาพนี้ร่างกายนี้ซึ่งยาวเพียงสักวาหนึงเนี่ยมันก็มีอะไรอยู่มากมายอย่างนี้ก็ศึกษาให้รู้จักให้ทั่วถึงโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ ที่มันให้เกิดรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ต้องศึกษากันอย่างละเอียด <c oughs> ทีนี้ก็ทบทวนโดยย่อทีว่าในกรณีของตาเป็นตัวอย่างตาเห็นรูปแล้วก็เกิดจักสุวิญญาณคือวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาทาหน้าที่อยู่เรียกว่าผัสสะทางตา ผัดสะทำหน้าที่ให้ผัดสะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนา <c oughs> คือรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเวทนานี่ก็เกิดความอยากความต้องการนั่นแหละคือกิเลสแหละเมื่อไอ้เวทนานั้นน่ารักน่าพอใจก็เกิดความอยากจะได้นั่นแหะคือความโลภหรือว่าราคะความกําหนัดพอใจนี่เป็นกิเลส นี่ถ้าว่ามันไม่ตรงก็ความพอใจคือมันไม่พอใจนะีมันก็เกิดกิเลสคือโทสะโกรธประทุษร้ายเรียกว่าโทสะบ้างเรียกว่าโทท่บ้างถา้ามันไม่ชัดลงไปว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันก็เกิดความสงสัยความมัวเมาผัพวพันสงสัย ว่าจะเป็นตัวต้นที่จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรอยู่นี่เรียกว่ากิเลสคือโมหะนี่โลภะทุโทสะคือโมหะมันเกิดขึ้นได้ในใจอย่างนี้ศึกษาให้ละเอียดชัดเจนว่ามันเกิดอย่างไรโลภะหรือราคะเกิดอย่างไร โทสะหรือโกธเกิดอย่างไรโมหะเกิดอย่างไรนไี่มอเกิดกิเลสเกิดกิเลสอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์ที่มันยังมีอะไรละเอียดลึกซึ้งมากไปกว่านั่นอีกคือเกิดกิเลสครั้งหนึ่งเรื่องเป็นทุกข์ก็เป็นไปเถอะแต่ว่าเกิดกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งนั่นเ่ง มันสะสมใ้ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเช่นเดียวกันนั่นแหละว้ายครั้งหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งด้วยนี่เขาเรียกว่าอานุสัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันก็สร้างอานุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดอย่างนั่นเขาไหว้ในสันดา น, นเกิดความโลภ ครั้งหนึ่งมันก็ ส, สะสมไอ้ความเคยชินที่จะโลภต่อไปข้างหน้าเนะขาวหาหน่วยหนึ่งส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยถ้าเกี่ยวความโลภเรียกว่าราคานุสัยถ้าเกี่ยวกับความโกรธเรียกว่าปฏิคานุสัยถ้าเกี่ยวกับความโง่ความหลงก็เรียกว่าอวิชญานุสัยเนี่ย ลึกลับซับซ้อนอย่างยิ่งในชีวิตในอัตภาพในสังขารในร่างกายนี้ซึ่งมีทั้งกายและใจเนี่ยมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอย่างนี้อนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเช่นนั้นอีกนี่พอพ อ, พอเกิดกิเลสขั้งที่สองก็เพิ่มอนุสัยก็ไว้ทีหนึ่งขั้นที่สมที่สี่ที่ห้าก็เพิ่มอนุสัยไว้ทุกทีที่เกิดกิเลสอย่เพิ่มความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไ ว, ว้มากข้าวมากข้าว ไอ้ความกดดันที่จะดันออกมันก็มีมากมันก็มีมากส่วนนี้เรียกว่าอาสวะอาสวะที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสตามชนิดของมันจึงมีความโลภแล้วก็มีอนุสัยแห่งความโลภเรียกว่าราคานอนุสัยอนุสัยนี้มีมากข้าวมากเข้าวความที่จะดันออกมันก็มีมากเพราะฉะนั้นมันจึง ง, ง่ายง่ายนิดเดียวที่จะเกิดความโลภเราจึง เกิดความโลภได้ง่ายที่สุดเกิดความโกรธได้ง่ายที่สุดเกิดความโง่ความหลงได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเก็บกักอนุสัยว้ในสันดานมากนั่นเองที่นี่ความลับยังมีต่อไปอีกที่จะต้องมองให้เห็นว่าถ้าว่าเราบังคับกิเลสได้กิเลสมันจะเกิดแล้วบังคับ ไม่ให้มันเกิดนเช่นว่าความโลภมันจะเกิดมันควรจะเกิดความโลภแล้วบังคับไว้ได้ไม่เกิดความโลภทีหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่สะสมไว้แต่ก่อนอนุัยที่จะโลภที่สะสมไว้มากๆมันจะลดลงไปหนึ่งลดลงไปหนึ่งลดลงไปหนึ่งทุกคราวที่บังคับกิเลสได้เรื่องความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันจะโกรธมันควรจะโกรธอย่างยิ่งแล้วก็บังคับไว้ได้ ไม่ให้มันโกรธมันก็ลดความเคยชินที่จะโกรธเส้นหน่วยหนึ่งลดอนุสัยสำหรับจะโกรธเส้นหน่วยหนึ่งโง่ก็เหมือนกันไม่ง่เสีนหนึ่งมันก็ลดอนุสัยอย่างความโง่ไว้เส้นหน่วยหนึ่งมันก็มีอนุสัยน้อยลงน้อยลงถ้าทำตั้อย่างนี้ความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงในสันดานมันก็ลดลงลดลงลดลง แล้วมันก็ไม่มีที่จะไหลออกมา <c oughs> ถ้าเผอิญกระทำไปจนถึงที่สุดมันหมดหมดอนุสัยแล้วก็หมดอาสาวะที่จะไหลออกมามันก็ไม่มีกิเลสอะไรที่จะออกมาอีกก็เป็นบุคคลพิเศษ <c oughs> แล้วก็ผู้หลุดพ้น <c oughs> เป็นพระอรหันต์ไม่มีอนุสัยที่จะเกิดกิเลส ไม่มีอาสวะที่เป็นกิเลสที่จะไหลออกมามันก็มันก็สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะหาสิ้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่เรื่องมากมายอย่างนี้สำหรับจะต้องดูให้เห็นที่จะศึกษาศึกษาศิกษาจะต้องดูให้เห็นซึ่งตัวเองอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลส ทีนี้ใ้เรื่องที่ต้องศึกษาเพื่อตนเองนั่นก็คือว่าไอ้การที่จะควบคุมไม่ให้โกรธไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนี่ <c oughs> ก็มีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติคือปฏิบัติศีลให้ได้ให้เป็นนิสัย ปฏิบัติศีลให้ได้เป็นศีลสิกขาอมันก็ทําให้โกรธมันก็ทําให้เกิดกิเลสนะได้ยากข้าวให้ศึกษาเรื่องสมาธิบังคับจิตไว้ได้ตามที่ต้องการอมันก็จะเกิดกิเลสได้ยากข้าวเช่นมันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดกิเลสถ้ารู้เท่าทันบังคับจิตได้มันก็ไม่เกิดนี่แหละ จิตตสิกขาทีนี้ก็มีปัญญาที่จะรู้ครอบครอบทวดถึงแล้วควบคุมมันไว้ไ ด, ม ด, ไมได้มันก็เกิดไม่ได้ยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดไม่ได้ยิ่งขึ้นศีลสิกขาก็ดีจิตตสิกขาก็ดีปัญญาสิกขาก็ดีนั่นก็ล้วนแต่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสแม่การเกิดครั้งแรก หรือแม้การที่มันจะเพิ่มอนุสใสมันก็ไม่มีเนี่ยการศึกษาในทางธรรมมันเป็นอย่างนี้ศึกษาให้รู้จักธรรมชาติทุกอย่างทุกประการที่ตั้งอาศัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในอัตภาพหรือชีวิตนี้ ทีนี้มนศึกษาได้อย่างทั่วถึงอย่างนี่มันควบคุมได้ควบคุมไม่ให้เกิดกิเลสแล้วก็ลดอนุสัยอาสะวะก็สิ้นไปนก็ไม่มีพอมาถึงขั้นนี้ ถ, ถ้ามาถึงขั้นที่ว่ารู้เท่าทันควบคุมได้ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้จนอนุสัยสิ้นไปอาสะวะก็ไม่มี นี่คือรับปริญญานี่เป็นตอนที่รับปริญญาปริญญาว่าราคัคคโยความสิ้นไปแห่งราคะโทสักคคโยปริญญาว่าความสิ้นไปแห่งโทสะโมหคคโยปริญญาว่าความสิ้นไปแห่งโมหะ คว่าปริญญานี่คือความรู้แจ้งประจักษ์แก่ใจภายในใจว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ความสิ้นแห่งราคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความสิ้นแห่งโทสะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความสิ้นแห่งโมหะเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้จักด้วยใจอย่างซึมทราบแท้จริงแตนี่เราไม่รู้นี่ เพียงแต่ฟังเขาว่าหรืออ่านหนังสือมีแต่เรื่องไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่รู้สึกด้วยใจจริงอย่างนั้นมันยังไม่ใช่ปริญญาปริญญาต้องเห็นด้วยใจจริงรู้สึกด้วยใจจริงว่าเป็นความสิน้นไปแห่งราคะโทสะโมหะอย่างไรนี่นี่คือรับปริญญา <c oughs> พวกเราที่เรียนหนังสือเรียนวิชารับปริญญาแผ่นกระดาษ แล้วก็ทำพิธีกันใหญ่โตค้นเอาพ่อแม่ไปร่วมดูด้วยมันเป็นสิ่งวิเศษประเสริฐสูงสุดนั่นก็เป็นปริญญาชาวบ้านแต่ปริญญาของพระพุทธเจ้านั่นนะก็ทำจนรู้สึกด้วยตนเองว่าราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีถ้าถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์ไม่ต้องการให้เอาปริญญากระดาษมาเขียนว่าเป็นพระอระหันต์ไม่ต้องการะไม่ต้องการรับแผ่นกระดาษที่ลงชื่อให้ว่าเป็นพระอระหันต์แต่รู้สึกอยู่ด้วยตนเองว่าราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีที่ถ้าไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าสิ้นหมดสิ้นสิ้นเชิง มันเพียงแต่สิ้นไปบางส่วนเนาะก็เรียกโดยชื่อที่ลดหลั่นกันลงมาเช่นเป็นสักเป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีเป็นโซดาบันโซดาบันเราพูดถึงกระแสถึงกระแสแห่งปริญญาแต่ยังไม่ยังไม่ได้รับปริญญาเต็มที่แต่ถึงกระแสแห่งการแห่งแห่งปริญญาแห่งการรรู้ พโดาบันนี่ละกิเลสหรือละอนุสัยได้ตามสมควรแต่ไม่หมดสิน้นชั้นแรกเตรียมปริญญาแล้วก็ละได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าสกิทาคามีแล้วละได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าอนาคามีแล้วละสุดท้ายก็เรียกว่าพระอรหันต์รายละเอียดมีอยู่ใน นั่งสื้อนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหาอ่านดูได้แล้วมันก็มากจนจะมาพูดขราวเดียวหมดนี่มันพูดไม่ไหวแต่คอให้รู้เป็นหลักเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ว่าเรานี่เกิดมาจากท้องบิดามันดาแล้วก็มีร่างกายมีชีวิตออกมาเป็นทารก ออกมานี่ยังไม่มีปัญหาเพราะจิตยังรู้สึกคิดนึกอะไรไม่ได้ตาหูจีบหมูกลินกายใจก็ยังไม่ทำงานแต่พอออกมาจากท้องแม่เป็นเวลาสมควรแล้วก็คือจะเกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจีบหมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองได้นี่มันจะเริ่มเริ่มเริ่มปัญหาเริ่มต้นของปัญหา <c oughs> เด็กทารกซึ่งไม่เคยเอมีปัญหาอยู่ในท้องไม่มีปัญหาคลอดมาวันแรกก็ยังไม่มีปัญหาแต่พอมันเจริญเจริญเจริญขึ้นระบบประสาทเจริญขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีระบบประสาทที่จเจริญขึ้นที่มันก็ได้เห็นรูปทางตาได้ฟังเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้น ได้สัมผัสผิวหนังทางผิวหนังแล้วรู้สึกคิดนึกเรื่องในทางจิตใจด้วยใจนี่ทีนี้จะมีปัญหา mm hmm. ก็ปัญหาอย่างที่ว่าคือ mm hmm. เป็นขั้งแรกที่ว่าเด็กทารกนี่ mm hmm. เขาได้รับความรู้สึกที่อร่อย mm hmm. เช่นจะต้องนึกถึงว่ากินนมแม่ก่อนกินนมแม่รู้สึกอร่อย แล้วก็รู้สึกเรื่องไม่อร่อยรู้สึกว่าได้มากพอตามที่ต้องการได้ไม่มากพอตามที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดความรู้สึกจิตนิเป็นเวทนาเป็นพอใจหรือไม่พอใจเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธมันก็ร้องจ้าถ้าได้อย่างพอใจมันก็สงบรู ป, ปกติ เด็กเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนสมบูรณ์ทางอายตนะมีความสมบูรณ์ทางอายตนะคืตาหูจมูกลิ้นกายใจทําหน้าที่ได้เต็มที่ได้เต็มที่ทันเรื่องที่จะรักมันก็มีถึงที่สุดเรื่องที่จะโกรธก็มีถึงที่สุดเรื่องที่จะรู้สึกอะไรอะไรมันก็มีถึงที่สุด เนี่ยในในในในตัวคนในตัวเราในตัวคนเรานะ่ะมันมีาการเกิดขึ้นอย่างนี้มีการปรุงปรุงปรุงแต่งปรุงแต่งปรับปรุงปรุงแต่งกันอย่างนี้ <c oughs> จนกระทั่งมาเป็นตัวเราในบัดนี้ <c oughs> มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไวต่อความรู้สึกคิดนึก <c oughs> ปรุงแต่งเป็นกิเลสได้เหมือนกับสายฟ้าแลบ <c oughs> ก็ควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยการศึกษาศึกษาโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาศึกษาทางศีลนี่โดยสรุปความแล้วก็คือให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องอสำหรับจะมีจิตถูกต้องอคือมีสมาธิถูกต้องมีสมาธิสิกษามีจิตถูกต้องสำหรับจะมีปัญญาถูกต้อง สำหรับจะศึกษาสอดส่องดูลงไปตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วนะมีปัญญาเพียงพอแล้วก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างที่ว่ามาปัญญาที่ได้อบรมมาดีเพียงพอแล้วก็เห็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปุพระธรรมารมเห็นเรื่องมาถึงกันข้าวแล้วเกิดวิญญาณ เมื่อวิญญาณทําหน้าที่อยู่ก็เรียกว่าผัสสะท่านมีผัสสะแล้วก็มีเวทนานี่ก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาทุกขั้นตอน เ, อเกิดเวทนาแล้วจะเกิดสัญญาสังขาราหรือจะเกิดสัญญาแล้วเกิดตัณหา เ, าเกิดอุปาทานเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติก็แล้วแต่จะมอง คือมันมีให้มองหมดดังที่กล่าวนี้นะถ้ามองเป็นขันห้าเพียงห้าอย่างก็เป็นเห็นเป็นขันห้าถ้ามองให้มากเป็นสายไปเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นสิบเอ็ดอย่างสิบสองอย่างมันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทมีรายละเอียดตามเรื่องนั้นๆ่นซึ่งจะหามาศึกษาดูได้ <c oughs> ในวันนี้ เพยงจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีหลักการหลักเกณฑ์อย่างนี้ถ้าเราศึกษารู้ความจริงอันนี้หรือธรรมชาติอันนี้แล้วควบคุมไว้ได้แล้วก็ควบคุมไว้ได้จนไม่เกิดกิเลสจนกิเลสหมดก็ได้รับปริญญาปริญญาของของพระพุทธเจ้า <c oughs> ปริญญามีสามอย่าง <c oughs> ปริญญาคือความสิ้นแห่งราคะ <c oughs> ประิญญาคือความสิ้นแห่งโทสะปริญญาคือความสิ้นแห่งโมหะเรื่องมันก็จบอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ตั้งต้นด้วยความโง่ความไม่รู้อะไร <c oughs> ได้รับอารมณ์แล้วก็ปรุงแต่ง เป็นกิเลสเกิดกิเลสทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานเป็นระยะยาวจนกว่าจะโชคดีรู้สึกคิดนึกได้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติรู้เรื่องนี้โดยแท้จริงและควบคุมไว้ได้มันก็เปลี่ยนมันก็มีมี ก, มมการเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่จะไหลไปหาความทุกข์เปลี่ยนเป็นหยุด ที่จะไม่ไหลไปหาความทุกข์นี่มันเป็นวิวัฒนาการทางจิตใจอันประณีตอันละเอียดอันสุขุมอย่างยิ่งเท่าที่พูดนี่เป็นเรื่องหัวใจของธรรมะล้วนๆเรื่องตรีกย่อยทั้งหลายไม่แด้ไม่ได้มาพูดพูดแต่เรื่องที่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นชิ้นเป็นอัน อย่างยิ่งว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาพระธรรมในในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องตาหูจหมูกลิ้นกายใจสิ่งแรกที่จะต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสปทพพระธรรมารม ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้อยู่ข้างในคือในตัวเราส่วนรูปเสียงกลิ่นรสปุทพระธรรมารมอยู่ข้างนอกตัวเราที่มันเป็นคู่คู่กันมันจับคู่กันทีไรแล้วมันก็มีเรื่องเช่นตาจับคู่กับรูป เ, เกิดวิญญาณเกิดปัสสาะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานละเป็นทุกข์ เสียงจับคู่กันกับหูเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอกปาทานและเป็นทุกข์กลิ่นจับคู่กับจมูกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาปาทานและเป็นทุกข์รสจับคู่กันกับลิ้นเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเป็นทุกข์ กายผิวกายที่เต็มไปด้วยระบบประสาทเนี่ยจับคู่กันกับสิ่งที่มากระทบกาย เ, ยเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอะเป็นทุกข์ที่ในี่ใจเนี่ยมันมาทีหลังมันมันมันหลังจากที่มันได้รู้สึกอะไรทางตาทางหูทางกจมูกทางลิน้นทางกายมากพอแล้วเป็นอารมณ์ในอดีตนี่เอามาเป็นอารมณ์ของใจ เช่นเวทนาต่างๆที่เคยสัมผัสรู้สึกมาแล้วแต่ต้นเดี๋ยวนี้มาเป็นอารมณ์ของมนโนมีมนโนวิญญาณมีผัิสาทางมนโนมีเวทนามีทันทามอยู่ปาทานแล้วก็เป็นทุกข์ในเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้ด้วยเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องสาคัญที่สุดของธรร ม, มะมีเพียงเท่านี้มีเรื่องปลีก เรื่องฟอยเรื่องย่อยเรื่องอะไรพูดกันให้มากเรื่องเป็นเป็นเป็นภูเขาเลาวกาจะไม่มีประโยชน์อะไรจะพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องตายเกิดตายไม่เกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอย่างไรเรื่องกรรมเรื่องอะไรมากมายมันไม่ต้องหาท้าว่าจะดับทุกข์แล้วก็มีสติธรรมัญญะปัญญาให้เพียงพอ เพราในเมื่อมีการกระทบทางอายตันนะนี่อายจนะภายในเชนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายจนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโถดธพะธรมารมเกิดวิญญาณเกิดผัสสะตอนนี้มีสติที่มีปัญญาโดยสตินำมาอย่างถูกต้องได้รับเวทนาแล้วก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาใดๆ ก็ไม่เกิดุัาทานเลยไม่เกิดทุกเรื่องมีเท่านี้ทีนี้เรามันสอนกันเหตเรื่องปลีกย่อยเรื่องฝ อ, อยมากเกินไปจนไม่ได้มารู้เรื่องหัวใจหรือเรื่องแท้จริงนี่ศึกษาพุทธศาสนามาจนแก่จะเข้าโลงอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องกันแท้จริงของธรรมะที่แท้จริงของพุทธศาสนาที่แท้จริง ตัว <c oughs> อย่างเช่นว่าเอ้าอยากจะทําทบุญให้ทานจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ในวิมานแล้วก็หารู้ไหมว่าไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ในวิมานนั่นเนาะมันยังมีตาหูจหมูกลิ้นกายใจที่จะสัมผัสอารมณ์จะรู้ศึกต่ออารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์เกิดกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันนี่นี่มันมันเสียเวลาอย่างนี้นะไม่ไม่เจาะจงลงไปที่ว่าจะดับทุกข์อย่างไร อ้อมค้อมไปว่าจะมีความสุข ส, ขสนุกสนานเบิกบานบันเทิงอย่างไรในสวรรค์ชั้นนั้นในสวรรค์ชั้นนี้ในพรหมโลกชั้นนั้นในพรหมโลกชั้นนี้ซึ่งเขาก็ว่าดีไปดีแต่เรื่องเสียเวลาทั้งนั้นเป็นเรื่องเนินชาแก่การจะดับทุกข์ดังนั้นวันนี้จึงพูดแต่เพียงว่าศึกษาแล้วก็รับปริญญา อย่าให้เรื่องมันมากไปกว่าสองเรื่องนี้ศึกษาซึ่งตนเองดูตนเองเห็นตนเองโดยตนเองเพื่อตอนเองรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองที่เป็นภายในทุกอย่างทุกประการแล้วก็รู้จักควบคุมไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดทุกจนไม่เกิดกิเลสจนจนจ น, จนกิเลสหมดสิ้นไปทั้งกิเลสและทั้งความเคยชินของกิเลส ก็เลยได้รับปริญญาเป็นผู้สิ้นราคะเป็นผู้สิ้นโทสะเป็นผู้สิ้นโมหะนี่ปริญญาเรื่องมันมีเท่านี้อเอาละเป็นอันว่าวันนี้ได้พูดเรื่องสรุปให้มันสั้นที่สุดของเรื่องทั้งหมดทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันพูดกันกีปก่ปีกี่ปีมันก็ไม่รู้จักจบร่ะแต่จะพูดให้รู้จักจบมันก็พูดอย่างนี้ไง พูดกันเท่วโมงเดียวก็จบเห็นไหมแล้วเป็นนั้นว่าขอให้กําหนดจดจำไอ้เรื่องที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นความลับของธรรมชาติแล้วก็มีอยู่เพียงเท่านี้รู้เรื่องการปรุงแต่งในภายในที่ตั้งต้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเกิดกิเลสและความทุกข์ ทีนี้ก็รู้จักทําให้มีสติปัญญาเมื่อกระทบกันกับสิ่งเหล่านี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ควบคุมไว้ได้ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องมันจบท่านคอยทุกคนกนําหนดจดจําไอ้เรื่องที่เป็นหัวใจของเรื่องหัวใจของเรื่องคือหัวใจล้วนๆไม่มีเรื่องฝอยเรื่องกับพี่มันมีเพียงเท่านี้ แล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์อันนั้นควบคุมกิเลสไม่เกิดก็ไม่มีอนุสัยที่สำหรับจะเกิดกิเลสต่อไปข้างหน้า <c oughs> หรือว่าถ้ามันมีกิเลสมีอนุสัยมาแล้วตั้งแต่เล็กเพเราไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่ล็กมันมีแล้ว ต่อไปนี้ก็ควบคุมยาให้เกิดกิเลสโลภะ ก, ก็ดีโทสะ ก, ก็ดีโมฆะก็ดีอย่าให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละอย่างนี้แล้วมันจะลดอนุสัยที่สะสมมาว้าแต่แต่แต่แรกเกิดนี่เรียกว่าอนุสัยมีแล้วมีเต็มมากพออยู่แล้วในสันดานเป็นอาสวะไหลออกมาอยู่เรื่อยๆนี่ที่มาตั้งต้นว่าจะระวังไม่กิเลสเกิดเมื่อมันควรจะเกิด ระวังได้ทีหนึ่งมันก็ลดอนุสัยเสนหน่วยหนึ่งระวังไม่โลภทีหนึ่งก็ลดราคานุสัยเสนหน่วยหนึ่งระวังไม่โกรธทีหนึ่งก็ลดปฏิฆานุสัยเสนหน่วยหนึ่งระวังไม่โง่หลงทีหนึ่งมันก็ลดอวิชานุสัยเสหน่วยหนึ่งมันก็ลดลดลดลดจนกระทั่งว่ามันหมดรับปริญญา <c oughs> แม้ว่าจะยังไม่ถึงกับรับปริญญา ก็ยังเป็นพ้นดีคือมีความทุกข์น้อยกว่าธรรมด า, ามันไม่ทุกข์มากเต็มที่เหมือนกับที่ว่าไม่มีการประพฤติไม่มีการศึกษาไม่รู้จักการควบคุมเอาเฉยเลยเอาละเป็นนั้นว่าคงจะเข้าใจเรื่องการศึกษาและผลสุดท้ายคือการรับปริญญาของพระพรุทธเจ้า ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจำเอาไปสําสำหรับเป็นเครื่องกาหนดกฎหมายใช้เป็นหลักสำหรับประพฤติธปฏิบัติอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพของตนของตนจะมีผลคือลดความทุกข์ลดกิเลสแล้วก็ลดความทุกข์ ถ้าตั้งทตั้งใจทำให้มันจริงจริงถึงที่สุดมันเกิดถึงกับว่าสิ้นกิเลสและสิ้นความทุกข์โดยประการทั้งปวงได้นะั่นเป็นยอดสุดถ้ายังไม่ถึงยอดสุดก็ยังมีกิเลสและความทุกข์น้อยมากน้อยจนไม่ก็จะมีปัญหาอะไรการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้ว วัว่าจะจดจำเอาไปเป็นเงื่อนต้นเป็นเงื่อนต้นสำหรับจะศึกษาให้ใหขยายออกไปจนครบถ้วนสิ้นเชิง